พระวิญญาณเจตสัามีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อวมา ทำบุญนายทานมารัสาษาศีมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ส่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเพราะการกระทำนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจุบันส่วนหนี้เป็นสิ่งที่จะตามมา ก็จะต้องเป็นอนาคตอนาคตนี้ก็มีทั้งอนาคตที่ใกล้และอนาคตที่ไกลอนาคตที่ใกล้ก็คือตั้งแต่วินาทีต่อไปนี้ก็เป็นอนาคตแล้วส่วนอนาคตที่ไกลก็คือพบหน้าชาติหน้า บุญที่เราทำสิ่งที่เรารักษาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังจะมีอ น, นิสงส์มีประโยชน์ตั้งแต่อนาคตอันใกลน้นี้ก็คือความสุขใจที่เราจะได้นับจากการทำบุญจากการรักษาศีลจากการปฏิบัติธรรมส่วนภพชาติ ที่เป็นอนาคตที่ใกลนะั้นก็จะเป็นพบชาติที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในภพชาตินี้การทำบุญให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนี้จึงเป็นการเหมือนกับการไปสร้างบ้านใหม่สร้างที่อยู่ใหม่สร้างร่างกายอันใหม่บ้านเก่าของเราคือร่างกายของเรานี้ มันมีแต่จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆมันไม่มีวันที่จ ะ, จะเจริญขึ้นไปมีแต่จะแก่ลงไปจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะตายไปในที่สุดการทำบุญทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้ทำเพื่อร่างกายในภพนี้ชาตินี้แต่เราทำเพื่อร่างกายในภพต่อไปชาติต่อไป ตอนนี้จึงเป็นเหมือนกับกำลังผ่อนส่งดาวดับาวบ้านใหม่ดาวของใหม่เช่นรถลาเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆตอนนี้เราผ่อนไปก่อนดาวไปก่อนด้วยการทำบุญให้ทาด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมพอเราตายไปเราก็จะได้มีบ้านใหม่เข้าไปอยู่ มีรถคันใหม่มีเครื่องใช้ไม้สอยใหม่ๆต่างๆแต่ถ้าเราไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมพอเราตายไปเราก็จะไม่มีบ้านใหมเราก็จะต้องไปอยู่แบบขอทานไปอยู่ไปขอทานอยู่ตามข้างถนนอยู่ใต้สะพานหรือไปอาศัยวัดอาศัยวาอยู่ สุดแท้แต่จะหาที่ไหนอยู่ได้ก็ต้องไปอยู่แบบนั้นไปก่อนจนกว่าจะมีโอกาสได้สร้างบุญได้ทำบุญได้รักษาศีลได้ภาวนาถึงจะได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่าชีวิตที่ดีกว่าเก่านี่คือสาเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันไม่มีความเท่าเทียมกัน มีความสูงมีความต่ำไม่เหมือนไม่เท่ากันเช่นมีความรวยไม่เท่ากันมีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่เท่ากันมีสุขภาพสมดุลมีสุขภาพมีอวัยวะครบสาสิบสองหรือไม่ต่างกันมีอายุยืนยาวนานา รูปส่างต่างกันมีโรคภัยไข้เจ็บเบียเบียนมากน้อยต่างกันไปของทั้งหมดนี้เป็นของที่เกิดจากการกระทาของเราในอดีตชาตินั่นเองจึงทำให้พวกเราทุกคนที่มาเกิดนี้มีอะไรที่ไม่เหมือนกันถึงแม้จะมีร่างกายเหมือนกันแต่มีความสวยงามไม่เหมือนกันผิวพรรณผ่องใส ไม่เหมือนกันสุขภาพไม่เหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บที่เบลี่ยนเบียนก็ไม่เหมือนกันเพราะเหตุที่เราทํามานั้นมันต่างกันเหมือนกับชาติก่อนเราปลูกมะละกอปลูกกล้วยปลูกสับปะรดชาตินี้เราก็ต้องได้มะละกอได้กล้วยได้สับปะรดแต่ถ้าชาติก่อนเราปลูกดอกไม้เราปลูกกุลาบเราปลูก ทุเรียนแล้ปลูกอะไรต่างๆชานี้เราก็จะได้สิทธิ์ที่เราปลูกไว้ในอดีตชาตินี่คือกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวแล้วได้นำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนให้เชื่อในกฎแห่งกรรมให้เชื่อในการกระทําของเราในปัจจุบัน ว่าจะเป็นเหตุที่จะทำให้มีผลต่างๆตามมาในอนาคตผลที่จะตามมาในอนาคตก็คือภพชาติที่แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่ดีที่เราเรียกว่าสุกติส่วนที่ไม่ดีที่เราเรียกว่าทุกขติหรืออบายก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทําของเราในชาตินี้นั่นเอง ชาต น, นี้ถ้าเราทาบุญให้ทารักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาพิจารณาอนิจจทุกขังอนัตตาตายไปเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นธมน์เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆแต่ถ้าชาตินี้เราไม่รักษาศีลไม่ทำบุญให้ทารไม่ปฏิบัติธรรมมีแต่เสพอบายมุข เสพสุรายาเมาเที่ยวกลงคืนเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิรมีความเกียดครั้นข้าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดปล่อยใีโกหกหลอกลวงถ้าทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อนาคตก็จะคือเดรัจฉานเปรตด้นานนรกตามมาต่อไปอันนี้เป็นความจริงที่ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไม่เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าอยู่ที่ทําหรือไม่ทําทําแล้วก็ต้องได้รับผลทําดีก็ได้รับผลดีทําชั่วก็ได้รับผลไม่ดีเหมือนกับกฎหมายต่างๆเราไม่รู้ว่ามีกฎหมายอะไรบังคับเราบ้างแต่ถ้าเราไปทําแล้วเขาจับเราเข้าคุกเข้าตาลาดได้ จะมาอ้างว่าเราไม่รู้ไม่ได้ชันใดจะมาอ้างว่าไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่ได้ไม่รู้ก็เถอะว่าสวยไปหรือว่าไม่มีบุญเช่นไม่ได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนามีพระพุทธศาสนาที่จะคอยสอนเราให้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมและศาสนาอื่นๆก็สอนเช่นเดียวกัน ศาสนาต่างๆก็สอนให้ทำดีไม่ให้ทำบาปด้วยกันทั้งนั้นเพราะศาสดาของแต่ละศาสนาก็เห็นกฎแห่งกรรมรู้กฎแห่งกรรมจึงได้นำเอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกต่างกันตรงที่ศาสนาพุทธนี้มีความรู้ที่ลึกซึ้งกว่าศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นสอนให้เรา ไปสวรรค์ได้แต่ไม่สามารถสอนให้เราไปนิพพานได้เท่านั้นเองต่างกันตรงนี้นิพพานคืออะไรนิพพานก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมส่วนสวรรค์ชั้นอื่นๆนี่ยังมีวันเสื่อมได้เช่นทำบุญไปเกิดในสวรรค์พอบุญหมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญใหม่ แต่ถ้าได้ไปถึงพระนิพพานแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดไปได้ตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความรู้ที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ส่งรู้พอส่งรู้พระอริยาาสัจสีพระอริยสัจสีนี่แหลเป็นเป็นธรรมะหรือเป็นความรู้ ที่จะสอนให้สา์โลกทั้งหลายได้ไปถึงพระนิพพานได้ถ้าไม่มีความรู้ในพระอริยสัจส์่ไม่รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากความอยากก็จะไม่ได้ยุติความอยากกันจะทำบุญกันไปแต่ไม่ได้มายุติความอยากภายในใจพอตายไปก็จะไปเกิด บนสวรรค์ชั้นต่างๆพอหมดบุญเนื่องจากยังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ไปเกิดที่ไหนอีกต่อไปจะอยู่ที่พระนิพพานไปตลอดนี่คือสิ่งเดียวที่ศาสนาพุทธสอนไม่เหมือนศาสนาอื่นคือสอนให้ยุติการเงิยนว่าตายเกิด สอนไม่ให้กลับมาเกิดใหม่สอนไม่ให้ไปสวรรค์สอนให้เป็นทางผ่านสวรรค์นี่เป็นเทียงทางผ่านแต่จุดหมายปลายทางนั้นอยู่ที่พระนิพพานเพราะว่าเป็นที่เดียวเท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรถ้าไปสวรรค์เดี๋ยวพอบุญหมดไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทุกใหม่ ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ถ้าไปพระนิพพานแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป้าหมายของพระพุทธศาสนาอยู่ที่สอนให้คนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องปฏิบัติทำขั้นต่างๆ จนกว่าจะไปถึงขั้นสูงสุดเหมือนกับการศึกษาต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีโทเอกไปตามลาดับศาสนาอื่นนี้สอนได้เพียงระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทเท่านั้นแต่ไม่สามารถสอนให้ไปถึงระดับปริญญาเอกได้ มีพระพุทธศาสนาท่านั้นที่สอนได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุที่ทำให้สัตว์โลกยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อก็คือความอยากนั่นเองความอยากที่จะมีความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้นกายก็ทำให้ต้องหาร่างกาย เพราะถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆได้พอบมดจากบุญจากชั้นสวรรค์สวรรค์ น, นี้ก็เสบรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันแต่เป็นเพียงรูปรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์พออำนาจของบุญหมดไปรูปทิพย์เสียงทิพย์ก็หมดไปก็ต้องหาร่างกาย เพื่อจะได้เศษรูปหยาบต่อไปเสียงหยาบต่อไปก็ต้องมาเกิดมาได้ร่างกายพอได้ร่างกายแล้วก็ต้องมาทุ ก, ก์กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายต้องมาทุก์กับความแก่ของร่างกายทุก์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและทุกกับความตายของร่างกายนี่คือคาสอนของศาสนาทุกๆศาสนายกเว้นพุทธศาสนา ทุกๆศาสนาจะสอนให้ทาบุญให้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ให้แบ่งปันมีอะไรก็ให้แบ่งให้ผู้อื่นให้ได้รับความสุขแล้วก็สอนให้รักษาศีลกันไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ให้รักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีไม่ให้เสพสุรายามาไม่ให้พูดปดนเท็จเล่นการพนัน นี่เป็นคำสอนของทุกศาสนาเหมือนกันแล้วก็สอนให้ทำใจให้สงบด้วยการควบคุมความคิดเช่นการไหวพระสวดมนต์นี่ก็เป็นการทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิศาสนาอื่นก็สอนให้ร้องเพลงสรรเสริญให้แก่พระเจ้าก็เป็นเหมือนกับการสวดมนต์เป็นการทำสมาธิเหมือนกันถ้าทำแล้วใจสงบ ใจก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้แต่นี่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดที่ศาสนาต่างๆจะสอนได้ไม่มีใครจะรู้สวรรค์ที่สูงกว่านี้ก็คือสวรรค์ชั้นพระนิพพานต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าเองตอนก่อนที่จะตรัสรู้ก็ไปศึกษากับศาสนาต่างๆทั้ ศึกษากับอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีใครสอนให้ท่านไปถึงพระนิพพานได้ไม่มีใครสอนให้ท่านไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้สอนได้เพียงแต่ให้ไปถึงสวรรค์ชั้นโภชนนั้นคือสอนให้นั่งสมาธิทาใจให้สงบพอใจสงบก็ไปถึงสวรรค์ชั้นโรชแต่พอออกจากสมาธิมาก็กลับมาสู่โลกมนุษย์ต่อไป ต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีความสามารถที่จะเข้าถึงพระอริยสัจสี่ไดเขาเห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของภพชาติคือการเมียนไหตายเกิดนี้เกิดจากความอยากนี้เองอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ถ้ายังมีอยู่ภายในใจ มันก็จะผลักดันให้ใจต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วคนที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีความรู้มีแสงสว่างนำทางให้ไปถึงพระนิพพานไปถึงสวรรค์ที่ไม่มีวันสือน ไปถึงสวรรค์ที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพระนิพพานก็ต้องปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอีกขั้นหนึ่งนอกจากการทําบุญให้ทานรักษาศีลทาใจให้สงบทําใจให้เป็นสมาธิแล้ว ก็ต้องทำใจให้ฉลาดต้องทำใจให้เห็นวิปัสสนาให้เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากเวลาเกิดความทุกข์ให้ดับความอยากเท่านั้นความทุกข์ถึงจะหายไปได้ไม่ใช่เวลาเกิดความทุกข์แล้วไปตามความอยากเช่นเวลาอยากจะดื่มกาแฟไม่สบายใจโกรธขีดลำคานใจเพราะอยากจะดื่มกาแฟก็ไปดื่มกาแฟ ถ้าไปดื่มกาแฟนี้ความทุกข์จะหายไปเพียงชั่วคราวความหงุดหงิดใจจะหายไปเพียงชั่วคราวแต่ความอยากดื่มกาแฟจะไม่หายไปเดี๋ยวพออีกไม่นานก็อยากจะดื่มกาแฟขึ้นอีกถ้าอยากจะหยุดดื่มกาแฟก็ต้องหยุดความอยากไม่ดื่มกาแฟอีกต่อไปเวลาเกิดความอยากก็ไม่ทําตามความอยาก ถ้าไม่ทาตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปการที่เราจะไม่ทาตามความอยากได้เราต้องเห็นความจริงเห็นว่าความอยากดื่มกาแฟนี้จะพาให้เราต้องไปทุกข์กับเรื่องการดื่มกาแฟไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับการดื่มกาแฟเราก็ต้องเลิกดื่มกาแฟเวลามีความอยากดื่มก็ไม่ดื่ม พรารู้ว่าดื่มนล้วมันทุกมันไม่ใช่สุขดื่มแล้ามันต้องดื่มอีกเรื่อยๆแต่ถ้าเลิกดื่มเสียแต่วันนี้มันก็จะไม่ดื่มอีกต่อไปนี่คือการเจริญปัญญาให้เห็นว่าความทุกข์ใจความหงุดหงิดใจความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากดื่มกาแฟเมื่ออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกัน อย่าไปอยากได้ถ้าอยากแล้วมันจะเป็นความทุกข์ได้มนาะแล้วก็ไม่พอต้องมาหามาใหม่อยู่เรื่อยๆยกเว้นสิ่งที่จําเป็นเท่านั้น mm. เช่นอาหาร mm. ที่อยู่อาศัยยารักษาโรค mm. เครื่องนุ่งหง่มถ้าเราใช้มันตามความจําเป็นอันนี้จะไม่เป็นความอยาก mm. เช่นถ้าถึงเวลาต้องกินข้าวเรากินตามเวลา อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากกินด้วยเหตุผลกินด้วยความจำเป็นอย่างนี้ไม่เป็นความอยากแต่ถ้ากินด้วยความอยากเ <stuffed> พิ่งกินไปเสร็จใหม่ๆอยากจะกินขนมอีกแล้วอยากจะดืนเครื่อเด่นอีกแล้วอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความอยากถ้ากินด้วยความอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ตามมามันก็จะติดไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นเราต้องอย่าไปทำตามความอยากถ้าจะทำอะไรขอให้เราทำไปตามความจาเป็นทำตามเหตุตามผลเท่านั้นคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำเช่นเรื่องกินรับประทานอาหารเราก็รับประทานตามเวลาแต่ถ้าไม่มีอาหารรับประทานเราก็ไม่ต้องไปรับประทาน ถ้าใจของเรามีสมาธิแล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับความหิวของร่างกายร่างกายหิวก็หิวไปอย่างมากก็แค่ตายยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีเพียงแต่ว่าจะตายช้าตายเร็วแต่ถ้าใจเราไม่หิวเสียอย่างแล้วเราก็ไม่ต้องกิดก็ได้คนที่จะเข้าถึง อลิยเศษสี่เข้าถึงวิปัสสนาได้จึงต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิใจมันหิวตลอดเวลาพรอมันอยากอะไรมันก็ทนสู้ความอยากไม่ได้แต่ถ้าใจมีสมาธิแล้วใจจะไม่หิวใจจะอิ่มถึงแม้เวลาจะเป็นจะต้องกินอาหารถ้าไม่มีอาหารให้กินก็ไม่เดือดรอ้อนผ่านไปได้อดได้ พ่อพุทธเจ้าเคยอดถึง49วันด้วยกันนั่นเป็นพอใจของพระพุทธเจ้ามีสมาธิมีความอิ่มมีความสุขเพียงแต่ว่าท่านคิดว่าการรับประทานอาหารนี้เป็นความอยากท่านจึงอดถึง49วันด้วยกันแต่อดถึง49วันแล้วความอยากก็ยังไม่หมดไปเพราะความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย มันอยู่ที่ใจและมันไม่ได้ความอยากอ ย, กอยู่ที่การรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวมันมีความอยากอย่างอื่นอีกมากมายเช่นอยากไปเที่ยวอยากจะดื่มสุราอยากจะเสพกามอยากจะร่วมหลับกับคนนั่นคนนี้ของพวกนี้มันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายอดมา49วันใกล้จะตายแล้ว ความอยากไปเที่ยวก็ยังมีอยู่ความอยากเสพการก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงต้องยุติการอดอาหารเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นวิธีที่จะหยุดความอยากได้วิธีจะหยุดความอยากก็ต้องเข้ามาดูที่ใจเพราะใจมันเป็นผู้อยากเวลาอยากอะไรก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าอยากไปอยาก เพราะอยากแล้วไม่ได้เป็นความสุขเพราะเป็นความทุกข์เพราะจะเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นไม่ได้ทำให้ความอยากน้อยลงไปหรือหมดไปการที่จะทำให้ความอยากน้อยลงไปหรือหมดไปก็คือต้องไม่ทำตามความอยากต้องหยุดความอยากคนที่จะเลิกดื่มสุราเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มกาแฟได้ก็ต้องหยุดดื่มเท่านั้น เวลาอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มเวลาอยากจะดื่มสุราก็ไม่ดื่มเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่ดื่มไม่สูบถ้าไม่สูบไปหยุดไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหยุดไปเองเพราะมันรู้ว่าอยากแล้วไม่ได้มันไม่รู้จะไปอยากไปทำอะไรยั้ไเหมือนเราไปขออะไรจากใครนี่ขอกี่ครั้งเขาก็ไม่ให้อนี้ ต่อไปเราก็หยุดขอเองเพราะขอแล้วไม่ได้ไปขอให้มันเหนื่อยทําไมฉันได้ความอยากนี้ก็เป็นเหมือนขอทางดีๆนี่ใจเราเนี่ยเป็นเหมือนขอทางมันอยากอยากได้นู่นได้นี่มันก็ขอให้เราไปหามาให้มันอยากจะดื่มสุราก็ขอให้เราไปหาสุรามาให้อยากจะนอนกับสามีก็ขอให้เราไปหาสามีมาให้เรา อยากจะนอนกับภรรยาก็ขอให้เราไปหาภรรยามาให้เราแต่ถ้าเราไม่ทําตามที่มันขอต่อไปมันก็เลิกขอไปอนี่แหละคือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาจนทําให้ท่านตัดความอยากทั้งหมดไปได้เลยความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพระพุทธเจ้าก็ไม่ทําตามอยากมีอยากเป็นก็ไม่ทําตาม อยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ไม่ทาตามพอไม่ทาตามความอยากแล้วความอยากมันก็หมดกำลังไปนี่แหละคือวิธีที่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันถ้าเราอยากจะไปถึงพระนิพพานกันการไปถึงพระนิพพานจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องเป็นพระหรือไม่เป็นพระไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็ก อยู่ที่ว่าหยุดความอยากได้รู้เปล่าเท่านั้นเองถ้าหยุดความอยากได้ก็ไปถึงพระนิพพานได้ถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องหาเครื่องมือมาหยุดมันเครื่องมือก็คือที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำกันนี่เองคือให้ทำบุญให้ทานให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิพอเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้แล้ว เราก็จะสู้กับความอยากได้หยุดความอยากได้เพราะใจเราไม่หิวแล้วใจเราอิ่มแล้วเพียงแต่ว่าความอยากมันยังอยากอยู่เราก็ต้องอยากไปทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากในที่สุดมันก็จะหยุดไปเองไม่เชื่อลองทำดูตอนนี้ติดอะไรอยู่ติดสุราติดบุหรี่หรือติดกาแฟหรือติดเที่ยว ติดอะไรลองเลิกทําดูนับ ล, ลองได้ว่าจะเลิกได้แต่ที่เลิกไม่ได้ก็เพราะว่ายังไม่มีสมาธิก็ต้องทําสมาธิไปก่อนก่อนที่จะทําสมาธิได้ก็ต้องมีศีลก่อนก่อนที่จะมีศีลได้ก็ต้องทําบุญให้ทานก่อนอันนี้ไม่เป็นเรียนหนังสือก่อนที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องทําทานก่อน ก่อนที่จะขึ้นชั้นปฐมได้ก็ต้องเข้าชั้นอนุบาลก่อนพอเข้าชั้นปฐมได้แล้วก็เข้าชั้นมัธยมได้พอเข้าชั้นมัธยมได้ก็เข้ามาหาวิทยลาลัยได้นี่คือการปฏิบัติต้องเป็นขั้นตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องทําบุญให้ฐานก่อนรักษาศีลก่อนจเจริญสมาธิให้ได้ก่อน พอจเจริญสมาธิได้แล้วทงนี้มาจเจริญวิปัสสนาได้มาจเจริญอริยาาสัจสีได้มาสอนใจว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากถ้าอยากไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากพอหยุดได้แล้วก็จะไม่ต้องทุกกับการอยากดื่มชุราอยากสูบบุหรี่อยากดื่มกาแฟเพราะไม่มีความอยากแล้วจะมีกาแฟดื่มหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อน จะมีสวลาดื่มหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อนจะมีสามีภรรยานอนด้วยหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่อยากจะนอนกับใครแล้วนั่นเองนี่แหละคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องหยุดพ้นด้วยการหยุดความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราถ้าเราทำได้แล้วใจของเราก็จะเป็นเหมือนใจของพระพุทธเจ้า ภพชาติของเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีการน้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อพาให้ใจของเราได้ไปสู่ที่สิ้นสุดของการเวียนว่าตายเกิด ที่สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญ น, นี้ให้ท่านได้นำาเอาไปพิพจิตรณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอขนภาษีรัตนาใจและบุญกุศล ที่ท่านได้มามำเพญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขละความเจริญด้วยอายุวันนำสุขัภาละโดยทั่วหน้าการเธอ <c oughs>